ขอออบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะตปะพระบุพพิขาและบุพพิขาวันน า, นาพระอมราพิรคิตะอมรโรเกิดวัดบรมนิวาโรชนาวันนี้จัดแสดงบาทในอธินาทานและปะละซึ่งได้อ้างไว้แต่ก่อนว่าจะวินิจฉัยในที่สุดแห่งวันน า, นาทั้งปวงนั้น ก็แลบาทในอธินาธานนั้นโดยบาลีว่าห้ามาตกเป็นบาปหนึ่งในเมืองราชคลึในครั้งนั้นเพราะบาลีว่าเตนะโขปะนะสมเยนะราชะกะเหปัญจะมาสโกปาโดโหติดังนี้เมื่อจะรู้จักมาตกพึงรู้มาตราในสัมพีอภิธานปฏิปิกาว่าจตารวิหโยกุญชาเดเวกุญชามาสโกภเว ดังนี้ก่อนว่าหนักสี่เมล็ดข้าเปลือกเป็นกุญชาคือกล่ำน้อยหนักสองกุญชาเป็นมาศกคือถั่วขาวก็ว่ากล่ำใหญ่ก็ว่าถ้ามาศกนั้นเป็นบาทหนึ่งมาตรานี้เป็นกลางจะใช้ในทองและนาคและเงินและวัตถุดใดๆก็ได้มาศกในบาลีจะเป็นมาศแห่งทองหรือนาคหรือเงิน ก็ไม่กล่าวไว้ในบาลีและอัตถกถาแต่ในอตรตถกถากล่าวว่ายี่สิบมาศเป็นกหาปณะหนึ่งเพราะเหตุนั้นห้ามาศซึ่งเป็นส่วนที่สี่แห่งกหาปณะจึงเป็นบาดหนึ่งในเมืองราชฤกษ์ในครั้งนั้นแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าโดยลักษณะนั้นในชนบททั้งปวงให้พึงรู้ว่าส่วนที่สี่แห่งนีลกหาปณะซึ่งเป็นของเต่าวเป็นบาดหนึ่งใช่ส่วนที่สี่แห่งกหาปณะอื่น มีรัธระดามะกะกะหาปณะเป็นต้นไม่ใช่กหาปณะอื่นแต่ต้องเป็นนีละกหาปณะแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เป็นอดีตอนาคตท่านก็บัญญัติปาราชิกด้วยบาปซึ่งเป็นส่วนที่สี่แห่งนีละกหาปณะนั้นเพราะอาัตถิคถาปถาฐะว่าปัญจามาสโกปากโดติตาดาราชะกะเหวีสติมาสโกกหาปโนโหติ ตาสมาปัญจะมาโกปาโดเอเตนลัคขณีนนะสัมปะชนะปะเดสุกหาปนาาัสสะจะตุโถภาโคปาโดติเวดิตาโบโสจขโขโกราณสะนีลักหาปนาาัสสะวเสนะนะอิตเรสังรุทธราดามกาดีนังเตนหิปาเดนะอติตาบุทาปิตาราชิกังปัญญาเปสง อนาคาตาปิปัญญเปสันติดังนี้นีลักขาปณะนั้นในอัตถกถาก็ไม่บอกตำราธรรมและประมาณราคาไว้แต่ในดีกาวิมติวิโนทนีบอกประมาณราคาแห่งนีลักขาปณะและรุทธะดามะกะกหาปณะไว้ดังนี้พึงรู้านีลักขาปณะนั้นเขาทำให้เกิดขึ้นตามตำราเก่าถึงพร้อมด้วยลักษณะ มีราคาเท่าทองอุตตมะประมาณยี่สิบมาศกาถาปนะที่แม้อันพระเจ้ารุทธรดามะให้บังเกิดขึ้นเรียกว่ารุทธะดามะกะคาถาปนะได้ยินว่ารุทธะดามะกะคาถาปนะนั้นราคาถึงส่วนสามแห่งนีลักษณปนะและท่านกล่าวต่อไปว่าในประเทศใดนีรักษณะปนะไม่มี ในประเทศนั้นพึงกำหนดบาตรด้วยพันดัเท่าราคาห้ามาตกแห่งทองที่เขาไล่แล้วปราชจากโทษนั้นเถิดโดยปาฐ ะ, ะในดีกาวิมติวิโนโนทนีว่าโพราณสัทธานุรูปังอุปาดิโตวิสติมาสัปปมานอุตมะสุวรรณคณะโกลัคณะสัมปโนนีละกะหาปโนติเวดิตะโบ รุทธระดามีนปิอุปาดิโตรุทธระามาดกโกโสกิรนีระกหาปนะตตะติพาคังอัคติยัสมิงปนปะปเดเสนิรักหาปนานะสันติตถาติกาลิกวิระหิตตะนิทันตะสุวรรณตะปัญจมาสัทคะเณพันเดณปาดาปริเฉโดกาตัปโตดังนี้ ถ้าจะคิดบาตรตามดีกาวิมติวิโนทนีนี้เพิ่งรู้จักมาตรากรมาตราไทยก็มีหลายอย่างไม่ต้องการจะอาศัยมาตราในคัมภีร์อภิธานปฏิปิกาตั้งเป็นมาตราไทยดังนี้เฟืองหนึ่งสี่ไผยไผยหนึ่งสองกลมคือสองมาศ ก, กลมหนึ่งสองกล่อมคือสองกุญชากลมหนึ่งสี่เมล็ดข้าเปลือกดังนี้ มาตรานี้ไม่ผิดนักกับมาตราจีนแต่มาตราจีนนั้นละเอียดนักทองกลัมหนึ่งเป็นราคาเงินสิบหกกลัมเรียกว่าสิบหกหนักทองไล่แล้วปราจากโทษอุตมะดีห้ากลัมสิบหกหนักเป็นเงินห้าสลึงในสยามประเทศนี้ก็คือในประเทศไทยในขณะนั้นเนี่ยนะเมื่อพศประมาณสอง5ันสามร้อยสิบห้าก็คือร้อยหกสห้าปีมาแล้วนี่นะ เป็นบาทหนึ่งในอธินาทาสิกขาบทตามดีกาวิมติวินโนทนีนั้นห้ากรัมน้ำหนักทองห้ากรัมสิบหกนักเป็นเงินห้าสติงในประเทศไทยในประมาณร้อหกสห้าปีมาแล้วแต่ในดีกาแห่งอุตรวินิฉัยบอกตำราธรรมนีละคาถาปณะนะและประมาณราคาบาทไว้ดังนี้ว่ากหาปณ ะ, ะที่เจือกันนั้นแหลชื่อว่ามีลคาถาปณะนะ ด้วยว่าลักษณะต้องตามตำราเกา่าย่อมปรากฏอยู่ในนีลขาปณะนั้นแท้ให้เอาทองห้ามาศกเงินห้ามาศกทองแดงสิบมาศกเป็นยี่สิบมาศกด้วยกันผสมกันปนโลหะคือเหล็กสักเมล็ดข้าวเปลือกหนึ่งด้วยเพื่อจะให้ประสานเนื้อเอาลงเบ้าหลอมทำเป็นรูปตีตราอักษรและรูปเท้าช้างเป็นต้นอันใดอันหนึ่งลงไว นี้แหละชื่อว่านีละคาหปณะเพราะเป็นของไม่มีโทษในประเทศใดนีละคาหปณะนั้นไม่มีในประเทศนั้นให้เอาทองหนักยี่สิบเม็ดข้าเปลือกเป็นราคาบาทหนึ่งติตุลักของราคาเท่าราคาทองหนักยี่สิบเม็ดข้าเปลือกเป็นปาตาชิปอันนี้เป็นวินิจฉัยในอีกาอุตรวินิจฉัยแสดงวิธีการทํานีละคาหปณะ ใช้ทองห้ามาศกเงินห้ามาศกทองแดง1ิมาศกรวมกันเป็นยี่สิบมาศกแล้วก็เป็นหลอมเรียกว่านีละคาปณะนะส่วนที่สี่ของนีละคาปณะคนะือห้ามาศกเป็นบาทหนึ่งแต่ถ้าไม่มีก็เอาทองคำน้ำหนักเท่ากับยี่สิบไม่ได้เข้าเปลือกมาตีราคาก็จะเป็นบาทหนึ่งในอธินาทานตาวินิจฉัยแห่งดีกาอุตรวินิจฉัย คำนี้พระอาจารย์ชื่อว่าวาจิตระกล่าวไว้โดยดีกาปาฐาว่ามิสกะกะหาตโนเยวะนีละกะหาตโนตัดเทวหิโปราณสถวิหิตะลักขณังดิสติปัญจมาสาสวุวรรณสสะตาถารชะชปัสสนสะนสามาสาตับภสสาติเอเตวีสติมาเสมิตสิตตวพันธัษายะ วิหิมัตตังโลหังปัจขิปิตตวาอัคคารานังจะหัตถปาดาดีนมัญญาตระนจัรูปังลักเสตวากโตนิโสตสตามีละคหาปนโนนามหโหติโหติเจตถะเหมารัชตะตัมเบหิตัถเถนิบิธะลักขนางังอาหาปิตตวากโต ว, วีจะมาโสนีละคหาปนโน เถมะปาดังสัจชุปาดังตัมบะปาดะวะยังหิโสมิเศตวารูปะมัพเปตวากาตุงสัทเถตุดัสสิโตเอโลติวจเตโดโสนิดโดสัตตาตเถริโตตัสสะปาโดสวรนนสะวีสะวีหักขนามโกยัตถินิงปะณปเดเสโสณวัตติจหาปโน วิสโสวันณวีหักคังตัปปาดัคันติเวดียังวิสโสวันณวีหักังเถเนนตาทิกขาโวตโตจะวันติสามัญยคุนาอิจจาหุวิณ ย, ยุโนติวาจิตรนามกาจริเยนะวุตตัง่างนี้อาจารย์วาจิตระเป็นชาวประเทศอะไรก็ไม่ทราบไม่ได้บอกไว ทองหนัก20เมล็ดข้าเปลือกเป็น5กล่องคิด16หนักเป็นเงิน2สะดึงเฟืองในสยามประเทศนี้เป็นบาทหนึ่งในอธินาานสิกขาบทตามอุตรวินิชัยดีกาเงิน2สะดึงเฟืองนะเป็นเงิน2สดึงเฟืองเมื่อประมาณ165ปีมาแล้วก้อนแรของในสยามประเทศนี้ราคาไม่ยั่งยืน บางคราวขายสิบหกหนักบ้างสิบเจ็ดหนักบ้างบางคราวขายสิบแปดหนักบ้างสิบเก้าหนักบ้างซึ่งคิดมาแต่สิบหกหนักนี้เพื่อจะให้สมกันกับนีละคาหะปณะซึ่งท่านบอกตำราไว้นั้นก็แลนีละคาปณะนั้นก็คือหน้าช่างสองคนได้ทำตามตำรานั้นสองครั้งคนหนึ่งได้เป็นเนื้อหน้าหนักสลึงหย่อนกล่องหนึ่งขาดอยู่สองไพลับกล่องหนึ่งเนื้อก็ต่ำ อีกคนหนึ่งทําได้หนักสลึงสองไทยคงตามน้ำหนักเดิมคาแต่เหล็กเนื้อก็เยี่ยมดีช่างทองในสยามประเทศนี้ตีราคานาคนั้นต่าตๆกันตีราคาหกหนักบ้างเจ็ดหนักบ้างสิบหนักบ้างก็แต่ในคัมภีร์สังขยาประกาศและคัมภีรวินยาสาระบอกตำราทาเหมือนกันแต่ไม่คนเหล็กส่วนคัมภีรวิญาสาระตีราคาไว้ว่า เจ็ดหนักเจ็ดหนักก็เป็นเงินสองสลึงกับไทยหนึ่งกับกล่ำหนึ่งเป็นบาทหนึ่งถ้าแปดหนักได้เงินสองสลึงเฟื้องเป็นบาทในอธินาทานติขาบทถ้าสิบหนักก็เกินราคานาคอย่างดีในสยามประเทศนี้ไปด้วยว่านาคอย่างดีในสยามประเทศนี้ก็เพียงเก้าหนักถ้าตีราคาเก้าหนักก็เกินเนื้อนาคนั้นไปถ้าตีราคาเึงแปดหนักก็เห็นว่าสม ด้วยว่าตองราในดีการนั้นปนเหล็กด้วยเนื้อจึงสูงขึ้นไปที่ราคาแปดหนักถิงชอบสมกับราคาทองหนักยี่สิบเม็ดข้าเปลือกด้วยได้เห็นว่าในเวลาเมื่อแต่งดีกานั้นเขาจะนับถือนาคที่เป็นนีราคาปะนะนั้นมีราคากว่าเงินแปดหนักตํากว่ทองแปดหนักเพราะเหตุ น, นั้นควรคิดทองสิบหกหนักนาคแปดหนักดังคิดมาแล้ว แต่ในดีกาแห่งกังขาวิตรณีกล่าวว่าส่วนที่ยี่สิบแห่งกาหาปนะเก่าชื่อว่ามาตกมาตกนั้นเขาเรียกกันอยู่ในโลกว่ามันเชษถีบ้างโดยดีกาปาฐว่ามาตะโกโปราณกักตะกหาปนะะวีตติโมภาโคโยโลเกมันเชษดถีติปิวุจจิดังนี้ ชาวลังกาผู้หนึ่งบอกว่ามันเชตีนั้นเป็นเงินเฟื้องหนึ่งในสยามประเทศนี้ถ้าคิดตามในนี้สองสลึงเฟื้องเงินไทยเป็นบาทในอคินาทานสิกขาบทคิดไปคิดมาก็ได้สองสลึงเฟื้องเงินไทยเมื่า165ปีแล้วอนะได้ยินว่าในประเทศพม่าบางครูว่ามาตกหนึ่งเป็นเงินสลึงหนึ่งห้ามาตกเป็นเงินห้าสลึง ว่าตามดีกาวิมติวินโนทนีและครูพรม่าห้าสดึงเป็นบาศว่าตามดีกาแห่งอุตตรวินิฉัยและคมที่ชาวลังกาผู้หนึ่งกล่าวว่ามันเชิดีเป็นเฟื้องนี้สองสะดึงเฟื้องเป็นบาศานคัมภีร์วินยยสาระสองสะดึงกับไพลหนึ่งกับกรัมหนึ่งเป็นบาศบาศในอธินาธานคิดตามวาทะแห่งอาจารย์ต่างๆการดั ง, ง, ง, ง, ง, งนี้ ให้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาตราตรองตามคำทีนั้นๆและสืบสอบสวนในประเทศต่างๆถือเอาแต่ที่ชอบเถิดมีท่านผู้แต่งชิ้นราคาทองและหน้นนาดัง น, นี้ตามราคาที่ใช้กันในเวลาที่แต่งหนังสือนี้อันนี้ก็ผู้ที่แต่งตรงนี้ไม่ใช่ของท่านอมารโอเกิดไม่ใช่ท่านอมราพิพัฒิตะแต่ว่าเป็นวววก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญานวโรรสทั้งชัมระนะ แต่ว่าอันเดิมคนแต่งนี่ใท่านอามโรโอพิรักขิตรราไม่ทราบปาดกถาจบจบ่าด้วยเรื่องของบาทอธินาทานตกลงก็เป็นเงินไทยในปัจจุบันนี้เท่าไรก็ไม่ทราบคงต้องไปลองทำดูเอาทองน้ำหนักให้ได้ยี่สิบเม็ต่เปลือกอย่างหนึ่งหรือว่าเอามีรักขหาปณะยี่สิบมาตกมีระัขหาปณะก็คือทองห้ามาตกเงินห้ามาตกตาแหน่งสิบมาตก มาผสมกันเสร็จแล้วก็เอาส่วนที่สี่ออกมาเป็นเท่าไรมาจีราคาเป็นเงินไทยในปัจจุบันเงียอ ก, ก, ก็ลองไปทําดูต่อไปจะแสดงประมาณบาทและประละสืบไปบาทมีสองอย่างก็คือบาทเหล็กอย่างหนึ่งบาทดินอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้ประกอบด้วยประมาณจึงควรอธิฐานและวิกัร ประมาณแห่งบาทนั้นมีสามขนาดก็คืออุ ก, กัโถบาทสนัดใหญ่อย่างหนึ่งมัชิโมบาทสนัดกลางอย่างหนึ่งโอมะโกบาทสนัดเล็กอย่างหนึ่งบาสนัดใหญ่นั้นจุเข้าสุกแห่งข้าวสารกึงอาลหัตตะและจุขาเนิยะเท่าส่วนที่สี่แห่งข้าสุกและพยัญชนะกับข้าวพอสมควรแห่งข้าวสุกนั้นบาทสนาดกลางจุเข้าสุขแห่งข้าวสารนารีหนึ่ง บาตขนาเล็กจุข้าวสุกแห่งข้าวสารปัตถาหนึ่งทั้งสองนี้ก็จุขาสัญญะและพยัญชนะคือกับข่าดังกล่าวแล้วก่อนเพราะบาลีว่าอุกโธนามปะปโตอัฐาระหกโกดนังคันหาติเพื่อความละมัชิโมนามปะปโตนาลิโกดานังคันหาติเพื่อความละโอมโกนามปโตปัตโธดนังคันหาติ จะตุพาคังขาดนันยังตะดูปิยังพยัญชนะงดังนี้กึ่ง อ, อารหะกันนั้นก็ถือคำสานสองทนานมกตในอัตตกถากล่าวว่าชื่อว่าทนานมคตนั้นสิบสองปรลระครึ่งสิบสองปรลระครึ่งในมหาอัตตกถากล่าวว่าปกตินารีทนานโดยปกตินั้นในสีหนทวีก็ใหญ่ไปทมินนาลีหรือว่าทนานของทมินก็เล็กไป มคตนาลีคือธนานมาคตจึงประกอบด้วยประมาณธนานครึ่งของมคตนั้นเป็นธนานในสีหนสีหนนี้ถนานเขาใหญ่ธนานครึ่งของมคตก็เป็นธนานในสีหนอันหนึ่งก็คือหนึ่งธนานในสีหนเพราะอัตถกถาปาฐาว่าอัทธาระหะโกดัณหงกันหาตีติมัคธานาริยาดวินนังตันดุละนาลีนังโอดัณห์กันหาจิต มคคทนานลินามะอัฏฐเจรสปลาโหตีติอันทกัตถะกัถายังวุตันสิหระดีเปปกตินาริมหันตาธมิลนาลีกุตกามคคทนานลีปมาณยุตตาตายะมัคคนาริยาดิยัคขนาลีเอกาสิหะรานาลีโหตีติต มหาอัฏฐกถาอย่างวุตังจดแสดงประละก่อนมาตราในธัมพีอภิธานปฏิปิกาดังนี้จดตาโรวิหโยกุญชาเดเวกุญชามาสโกภเวเดเวอักขามาสกาปัญจะกขานังทรณมัตกังสุวรนโนปัญจะทรนังนิขันตะวะนิธิปัญจเต ตาโดภาเคจะตุถเถธทารณ า, านิปลังนสะตุลาปละสตังจารทะภาโรวีสติตาตุลาอโธกหาปโนนิถีกัตทะเตกะริสาปโนโดยอธิบายตามดีกาเป็นสองในในก่อนว่าหนักสี่เม็ดข้าเปลือกเป็นกุญชาสองบุญชาก็เป็นมาตก สองมาศกก็เป็นอัคคะห้าอัคคะก็เป็นธรณะแต่ธรณะก็เป็นสุวรรณะห้าธรณะเป็นนิขะห้านิขะก็เป็นบาทหนึ่งบาทนั้นเป็นไปในส่วนที่สี่อันนี้เป็นมติแห่งอาจารย์บางพวกบาทหนึ่งก็เป็นส่วนที่สี่ของกลางพะนะอีกในหนึ่งสี่เมล็ดข้าวเปลือกเป็นกุญชาสองกุญชาเป็นมาศกสิบมาตกเป็นอัคคะ อาขาเป็นธรณะห้าธรณะเป็นสุวรรณะห้าสุวรรณะเป็นนิขะอันนี้เป็นมติแห่งเราทั้งหลายบาตรหนึ่งนั้นเป็นไปในส่วนที่สี่แห่งวัตถุอันใดอันหนึ่งคือสิ่งทั้งปวงนั้นแบ่งออกไปเป็นสี่ส่วนดังฝัดสี่เท้าส่วนที่สี่ก็ชื่อว่าบาทรสิบธรณะเป็นปละ100ปร้อยปละเป็นตุลายี่สิบตุลาก็เป็นภาระ และหาปณะและกริษาปณะสองศัพท์นี้เป็นชื่ออันเดียวกันหาปณะหรือว่ากริษาปณะแปลว่าของสําหรับทานสําหรับต่อซื้อขายที่เขาทําเท่ากับผลกริศผลกระิศนั้นว่าเท่ากับลูกสกาคิดตามไนก่อนป่ละหนึ่งก็เป็นเงินหนักบาทหนึ่งกับสองสะดึงสองภัยปละหนึ่งนะเป็นเงิน นักบาทหนึ่งสองสะดึงกับสองไผยสิบสองภรัตครึ่งก็หนัดสี่ตำลึงสามบาทสองสะดึงกับไผยหนออ 1, 2, ึ่งเป็นน้ำหนักมคตนาลีคือธนามคตหนึ่งสิบสองภรัตครึ่งนี่นะเท่ากับธนามคตหนึ่งก็คือหนักสี่ตำลึงสามบาทสองสะดกับไผ่หนึ่งคิดตามในหลังปรัตหนึ่งก็หนักสามตำลึงถ้าคิดตามในหลังนะ ละห น, หนึ่งก็หนักสามตำหนึงสองสลึง 2, สิสอง 42, ประละครึ่งนั้นก็เป็นเงินช่างเป็นเงินช่างหนึ่งนะสิบกตนึงกับสลึงหนึ่งเป็นน้หนักมคตนารีก็คือธนามคพหนึ่งแต่ในคำภีสังขยาประ ก, การสก่าว่าสี่เม็ข้าวเปลือกเป็นปลอมสองปลอมเป็นจำห้าจมเป็นสองอัฐะแปดอัฐะเป็นธรณนะ สิบทรมเป็นปละเพราะปะาฐะว่ามาสโกโวิหโยอัตทะอัคขังวาวีหิวีตติแปลว่ามาตกหนึ่งแปดเมล็ดข้าเปลือกอัคทะหนึ่งก็ยี่สิบเมล็ดข้าวเปลือกดังนี้ถ้าคิดตามในนี้ปะละหนึ่งหนักสามบาทเฟื้องหนักสามบาทเฟื้องสิบสองปะละครึ่งก็หนักเก้าตำหนึงกับสามบาท กับสองไผเป็นน้ำหนักมะคตนารีคือธนานมะคตหนึ่งแม้ศิลาซึ่งเป็นนิมิตแห่งตีมาที่ท่านว่าอย่างเล็กโตเท่าก้อนน้ำอ้อยหนักสามิสองปะละก็ควรคิดด้วยปะละนี้แต่ถ้าว่านักปราดรังเกียจว่าเล็กนักดูไม่ชอบตนตามในแห่งดีกาบอกไว้ว่าให้เอาน้ำหรือว่าถั่วขาวช่างให้ได้น้ำหนักดังกล่ามานี้ จุเต็มในธนานใดธนา น, นั้นชื่อว่ามัคทนาลีธนาอนกคตหนึ่งประละมีต่างๆการดังนี้ให้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาพึ่งสอบสวนถือเอาเถิดตกลงก็มีหลายในไม่รู้จะเอาในไหนลองพิจารณาดูบัดนี้จะกแสดงมัคทบาลีตามดีกาอีกในสารัตาทีปนีดีกากล่าวว่าหกปัสต์คือ หกปามือชื่อว่ามคตนาลีอันนี้เขียนมคตบาลีมคตนาลีนาลีก็หมายถึงอะไรทนานทนานมคดหนึ่งเนี่ยเท่ากับหกปามืออาจารย์อื่นอีกมีหลายอาจารย์กล่าวว่าแปดปามือชื่อว่ามคทนาลีทนานมคตหนึ่งว่าตามอธิบายแห่งอาจารย์ก่อนคืออาจารย์แรกเนี่ยสามปามือเป็นนาลีคือทนานหนึ่ง สองทนานั้นเป็นมคทนารีทนานะคดหนึ่งว่าตามอธิบายแห่งอาจารย์หลังสี่ฝ่ามือเป็นนารีทนานหนึ่งสองทนานั้นก็เป็นมคทนาลีทนานะคดหนึ่งแต่พระอาจารย์ธรรมปาลเถร ะ, ระผู้ที่แต่งดีกาวิเศิมรักษ์ให้นะหรือว่าอรรถกถาอุทารปิติวุติะวิมานวัตถุเปโตวัตถุพวกนี้ท่านอาจารย์ธรรมปาลท่านแต่ง ท่านกล่าวว่าอาจารย์ทั้งหลายท่านกล่าวดังนี้สี่บุติกะคือสีก่กำมือโดยปกติเป็นกูดวะคือฝ่ายมือหนึ่งสี่ฝ่ามือเป็นนาลีคือถนานหนึ่งสิบหกธ น, นานั้นเป็นโทนะหนึ่งก็แลโทนะนั้นเป็นสิบสองมรคธนาลีสิบสองธนานมรคเพราะเหตุนนะันถึงรู้โดยในดังนี้ ทนานาคตหนึ่งนั้นจุห้าปลายมือกับกำมือกับอีกกามือหนึ่งแบ่งสามส่วนเอาแต่ส่วนที่สามดังนี้เพราะว่ามีดีกาปถาว่ามคทนารีนามะฉะปัสตาปนาลีติเกจิอัถฐปัสตาติอัปเรตถาปุริมานาังมะเตนะติปัสตายะนาวิยามตะเว นารโยเอกามัคคันารีโหัวติปชิมานางมเตนะจตุปสสะตายะนาริยาดเวนารโยเอกามัคคันารีอาจริยะธรรมปาลเถเรเณปนะปกจิยาจตุมติจังกุดับบังจตุกุดับบังนารีตายะนาริยาโสรสะนาริโยโดนัง ตังปณ ะ, ะมกธานาริยาดวาดสะนาิโยโหนตีติวดันตีติวุตตังตสมาเตนะเนยนะมกธานาฬีนามะปัญจกุด บ, บานิเอกันจะมุถิงเอกายมุทิยาตติยัญจะกพาขังคันหาตีติเวดิต บ, บงังดัง น, นี้ในวิมติวิโนโนาดีนิกาในวิมติวิโนโนาดีีกาของทวินัย กล่าวว่าอาจารย์ทั้งหลายท่านกล่าวว่านาลีธนานโบราณแห่งครรมินนั้นแปดกุทัพะคือแปดฝ่ายมือมุติกะก็คือกำ ม, มือสี่กำ ม, มือเป็นฝ่ายมือหนึ่งธนานมาคธหนึ่งจุสองธนานธมินนั้นก็แลนาลีธนานโบราณแห่งชาวสีหนจุสามธนานธมินนั้นว่าตามอธิบายของอาจารย์ทั้งหลายนั้น ทนานมาคดหนึ่งก็เป็นสีทนานธมินทุกวันนี้ที่จุสี่ฝ่ายมือนั้นก็แลกึงทนานมาคดนั้นชื่อว่าเป็นปัตถาที่เรียกันว่าโบราณธมินนาลีปัดถาในี่นะทนานธมินเก่าก็แลคําว่าบาดขนาดเล็กจุเข้าตกุกแห่งเข้าสารปัดถาหนึ่งนั้นก็สมกับคำแห่งอาจารย์ทั้งหลายด้วยว่า แม้โลกทั้งหลายก็กำหนดปัตถะไว้สองก็คือโลกิตะปัตถะและมาคธะปัตถะโลกิตาปัตถะนั้นสิบหกปลระมาคธะปัตถะก็คูณสองส่วนคือเป็นสาสองปละดังนี้แสดงว่าทนานมคตคูณสองส่วนด้วยทนานโลกดังนี้เมื่อถือเอาอย่างนี้ความที่ว่าบาดขนาดเล็กจุข้าวสุกพอยาปนมัติคือให้ยังอัตภาพที่เป็นไปได้เนี่ยนะ ก็เป็นอันสำเร็จแท้ด้วยว่าไม่อาจจะเอาบา ท, ที่จุขเข้าสุกแห่งกข้าศานแตกปมือไปแสวงหาบินทบากระทาไม่ให้เป็นจอมมาเลี้ยงชีพได้คือมเล็กนะเพราะเหตุนั้นในอัตถกถาแห่งเวรัญชกันจึงกล่าวว่าซึ่งว่าปัตถะหนึ่งนั้นประมาณนาลีคือถนาหนึ่งพอเลี้ยงชีพแห่งบุรุษผู้เดียวได้คานั้นสมด้วยคาว่า ข้าวสูกแห่งข้าสารปัตหะหนึ่งไม่พอสองคนคำว่าพอคนหนึ่งคนสองคนหรือว่าสามคนก็มีมาดังนี้นักปราดพึงถือเอาตามในที่กล่าวแล้วในอัตถาเวรัญชกันนี้เถิดโดยดีกาปาฐาะว่าพมิละนารีติปุราณนาริงสันธายวุตังสาจะจตุมุติเกหิกุทัพเพหิอัฏฐกุฎา กายนาริยาดเวนาริโยมัทนาลีคันหาติปุรานาปณะสีหรานาลีติโสนาริโยคันหาตีติวะดานติเตสัมเตณมัคทนาลีอิดานิปวัตตามานยะเจตุกุดับบายะทมิลนาริยาเจตุนาฬกาหวติตะโตมัคทนาริโตอุปัฏฐันจะ ปุราณะธรมยลนารีสังขาตังปัดถังนามโหติเอเตนะจัโอมโกนามปัตโตปัทโธดานังคันหาติติปาริวัจนันจัสเมติโลกิยเกหิปิโลกิกังมาคาทันเจติปัถตะดวายังสมุดาหตังโลกิกังโสระสัปลัง มาททังดวิคุณางมะตันติเอวังโลกิกะนาริยามะคทะนาริยาดิคุนาตินัสติตาเอวังจกไชหามานีโอมกะปัตตัสกยาปณะมัตโตดะณะคาหิตาสิทาโหติณหิสกาอัฏฐ ก, ก, กุดัปปะโกดณะคาหินาปเตนะอถูปิกตังปินดปาปะตังปริเยสิตตวายาเปตุง เตเนวเวรัญชกันดัตถกัถาอย่างปัทโหนามะนาลิมะตังโหติเอกตะบริสตะอลังยาปนายะวุฒามิเหตังปัทโธดโนนารมยังดวินนันติวุตตังเอกตะดวินนังตินนำติโหติติจักอาคตังตัสมาอิทัวุตตนญาโนสาเลนะฆะเหตตบังดังนี้ ในอัตถกาลกล่าวว่าบาสขนาดกลางจุขเข้าสุกแห่งข้าวสารมคตนารีหมายถึงทนานะคดหนึ่งบาสขนาดเล็กจุขเข้าสุกแห่งข้าวสารกึ่งมคตนารีก็ ค, คือปัจฉะหนึ่งเนี่ยโดยอัตถกาลาถาว่านาลีโกดา น, นติมัคทนาริยาเอกายปันดุลนาริยาโอเดนังปัทโถดนานติมัคทนาริยาอุป ปัตะนาริโกโดนองดังนี้ในาสาระาคีปนีดีการกล่าวว่าพระสังคีติกาจารเห็นว่าประมาณกึ่งมคดนารีหนึ่งเป็นปัตัะอันหนึ่งในที่นี้ปัตถะหนึ่งก็เท่ากับกึ่งมคดนารีด้วยคาอตถกถาว่าบาศนาเล็กจุข้าวสุกแห่งข้าวสารกึ่งมคดนาลีนี้แสดงว่าสองปัตถะเป็นมคดนาลีหนึ่ง ก็แลปัฏฐะนั้นพึงรู้โดยววหาโลกดังนี้ว่าสีประละเป็นกุดวะฝายมือหนึ่งสี่ายมือเป็นปัฏฐะหนึง่งดังนี้โดยดีกาปัฏฐาว่ามัคทะนาริยาอุปัฏฐัปปมาโนอิทปัปโธติอาหะปัฏโธดนันติมัคทะนาริยาอุปัฏฐานาริโกดนันติ อิมินาจะปัตถะดวะยังมัคทะนาลีติดัสิตังหัวติปัตโถจะจะโตปโลปุดับโบจะโปุดับโบปัตโถติอิมินาโลกิยะวุหาเรนะเวริตบโบตังนี้บัดนี้จะแสดงมาตราสังขยาตวงเพื่อจะให้รู้จักชื่อในลำดับแห่งเครื่องตวงตามัำพีอภิธานปฏิปิกาว่า กุดะโะวปัสโตเอโกปัทโธเตจตุโรสิยุงอารหกโกจตุโรปั ต, ตะปัถาโดนาวาจตุราหักังมานิกาจตุโรโดนาคาริถีจตุมานิกังหาิโยวีตวาโหทะสิยาตุมโปณนะสัมพนังอารหกโกนิธยังตุมโป ปัโถตุนารินาริยังวาโหุกัคโตเจกาตัาสโดนาตุอัมพนันดังนี้ก็แปลว่าฝายมือหนึ่งเป็นกุฎวะหนึ่งสีกุฎวะเป็นปัตถะสีปัตถะเป็นอาระหะกะสีอาระหะกะเป็นโทนะสีโทนะเป็นมานิกาสีมานิกาเป็นขารียี่สิบขารีเป็นวาหะ อัมพนะเป็นตุมภะอัมภนะหนึ่งก็สิทโทนะอระหะกับตุมภะสองศัพท์นี้เป็นชื่อเดียวกันปัตถะกับนาลีสองศัพท์นี้ก็เป็นชื่อเดียวกันวาหะกับสักตะสองศัพท์นี้ก็เป็นชื่อเดียวกันก็แปละว่าเกวียนวาหะหรือว่าสักตะเมื่อกล่าวลำดับดังนี้ดูเหมือนไม่ต้องกับบาลีประมาณบาบาดูปัตฐะนั้นอย่างหนึ่ง นาลีนั้นอย่างหนึ่งดังนี้ว่าอัตธาระหกโกดนางนาลีโกดนางปัทโธเดนางดังแปลามาแล้วในก่อนนั้นในคำพีสังขยาประกาศ ก, กะกล่าวว่าฝ่ายมือหนึ่งเป็นกุฏวะอันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสี่มุติกะคือสีก่กำมือชื่อว่ากุตวะอันหนึ่งห้ากุตวะนั้นเป็นมุติกะอันหนึ่งมุติกะนั้นแบ่งสามส่วน ตัวทีส่สามเป็นมขดนาดีอันหนึ่งสามมขดนาดีเป็นอารักขาอันหนึ่งสี่กุดวะก็เป็นปัตถาหนึ่งอีกในหนึง่งหกปสะสตะคือหกฝ่ายบือเป็นปัตถาหนึ่งอีกในหนึ่งฝ่ายมือหนึ่งเป็นปัตถาอันหนึ่งปัตถาใ ด, ท, ดที่เรียกว่านาดีนาดีนั้นเป็นนาดีเล็กสี่นาดีเล็กนั้นเป็นอารักขา ว่าโดยปาฐะว่ามีหลายในเหลือเกินนะโดยปาฐาว่ากุดะโวปัสโตเอโกอัทาวาจโตมุติกังปัญจะเตกุดวาเอกามุติเมกายามุติยาพาเคจะตติเยเมกานารีมาคพิกามตามาคพิกายะนาริยาตินารีวุจจตับหกโก กุดวาจตุโลวาปิปัทโหนามาติกิติตาฉะาปัสตาถวาปัทโออะถวาปสัสโตภเวโยปัทโวุจเตนารีสานารีกุธตะมาตาตายะกุธตะนาริยาจตุนาลิมตาลหะหโกดังนี้ได้ความว่านารีมีสีอย่างก็คือนาลีขนาดกลาง จุสี่ฝายมืออย่างหนึ่งนาฬีขนาดใหญ่จุหกฝามืออย่างหนึ่งนาฬีขนาดเล็กจุฝายมือหนึ่งอย่างหนึ่งแล้วก็นาฬีมคตประจุฝายมือหนึ่งกับสองกำมือกับอีกกำมือหนึ่งแบ่งสามส่วนเอาแต่สองส่วนอย่างหนึ่งดังนี้ในอันกาถาแห่งดัษกังคุตตะลักษกก์หมายถึงอังคุตตะนิการและสกนบางว่าสี่ปัตถามคตเป็นปัตถะ ในแขวนโกสนอันหนึ่งตีปัฏานั้นเป็นอารกักตัอันหนึง่งโดยปาฐะว่ามาคะทิเกนะปัฏเถนะจตารโรปัฏฐาโกตนะรเถเอโกปัฏโธโหติเตนะปัฏเถนะจตารโรปัฏฐาอารกักตังดังนี้ซึ่งกลา่าวมานี้เพื่อจะให้เห็นว่าปัฏฐนารีมีต่างๆกัน รวมมาคดนาฬีทึ้งกล่าวมานี้ตามใจความในอัตกถาและดีตาและคำพี่อันเศษก็เป็นแปดอย่างนาฬีในนยันนยนะแปดอย่างน้ำหนักสี่ตำลึงสามบาทสองสลึงหนึ่งพายอย่างหนึ่งน้ำหนักหนึ่งชั่งสิบเก้าตำลึงหนึ่งสลึงอย่างหนึง่งน้ำหนักเก้าตำลึงสามบาทสองพายอย่างหนึง่งแล้วก็ยี่สิบเอ็ดกำมือกับส่วนที่สามแห่งกำมือหนึ่งอย่างหนึง่ง ยี่สิบสี่หรือว่าสาสองหรือว่าหกสสี่กำมืออย่างหนึ่งหลายในหกกำมือกับอีกกำมือหนึ่งแบ่งสามส่วนเอาแต่สองส่วนอย่างหนึ่งเป็นแปดอย่างดังนี้มะขามนารีซึ่งมีต่างๆกันดังนี้ให้นักปราดพึงพิจารณาตอบสวนถือเอาเถิดสนะัดมตนารมนาลีมีตั้งแปดอย่างจะถือเอาอย่างไหนถูกเนี่ย แต่ควรจะถือว่าข้าวตุกแห่งข้าวสารปัดถาหนึ่งพอบุรุษกินอิ่มคนหนึ่งข้าวสุกแห่งข้าวสารนารีหนึ่งพอบุรุษสองคนกินอิ่มข้าวสุกแห่งข้าวสารสองนาเรีพอบุรุษสี่คนกินอิ่มนี้แลเป็นลักษณะสมกับในอัตถกถาแห่งเวรัญชกตันข้าวสารที่ตวงด้วยธนานจุน้ำหนักเก้าตำลึงสามบาทกับสองไผ่พอคนหนึ่งข้าวสารยี่สิบตีกัมือพอกินได้สองคน จแสดงอัตตาสังขยาเพื่อจะให้รู้คาพยุตและโยธคาพยุตหรือว่าคาวุตอันเดียวกันเป็นต้นซึ่งมาในสิกขาบทบางแห่งมาตราในคำพีอภิธานปัตีปิกาว่าฉัติงสะตะระมานูนะเมโกนุจะฉัติงสเตจัชารีตาปิฉัดติงสตะระเรนุฉัติงสเต ลิขาตาสัตตะอูกาตาทัญมาโสติสัตตะเตส ต, ตสังคุลิมะดุงณวิชัวิดัฐิตาดุเวสิยุงรัตนังตานิสัตเตวะยักติตาวีตะตูสพังคาวุตตมุสภาสีติโยชนังจตุคาวุตังทนุปัญจสตังโกโสกะ รีสังจตุรัมนังอภันตรันตุหัตถานะมัถวีสัปปมานโตดังนี้ความว่าสามหกปรมามนูซึ่งเป็นวิสัยแห่งทิพยาจากักรสูเป็นอนูหนึ่งหนึ่งอนูนะเนตละเอียดวนนั้นอีกทั้งหกปรามณูเป็นหนึ่งอนูสามสิบหกอนูเป็นตัชารี สารที่หกตัชารีเป็นรัฐเรนูสารที่หกรัฐาเรนูก็เป็นลิขขาลิขานี่ก็หมายถึงหมายถึงอะไรหมายถึงไข่เหาลิขานี่ไข่เหาเจ็ดดิขาเป็นหนึ่งอูกาอูกานี่ก็ตัวเหาเจ็ดอูกาเป็นทัญญมาสะก็คือเมล็ดข้าวเจ็ดธัญญมาสะเป็นอังคุลีคือนิ้วหนึ่งสิบองอังคุลีเป็นวิทชชิคือคือบหนึ่ง สองวิทัศนเป็นรัตนะก็คือซอเจดรัตนะเป็นยัตถิก็คือไม้เท้ายี่สิบยัตถิคือเส้นหนึง่งยี่สิบยัตถินีเป็นเส้นหนึง่งสิบห้าวาเป็นอุสภะแต่สิบอุสภะคือร้อยสี่สิบเส้นเป็นคาพยุตหนึ่งคาวุธนั่นแหละสี่คาพยุตคือห้าร้อยหกสิบเส้นเป็นยอหนึง่งสี่คาวุธเป็นยชดหนึง่ง ห้าร้อยชั่วธนูเป็นโกศหนึ่งแล้วก็สี่อัมพนะเป็นกริศยี่สิบแตอกก็เท่ากับอัพันระเป็นหนึ่งอั พ, พันดรในำัำพีสัญญาประกาศสัะว่าสี่ตอกเป็นวาสี่สองเป็นวาหนึ่งเท่ากับสองเมตรนั่นแหละยี่สิบห้าวาก็เป็นอุตสภะแต่ติดอุตสภะคือร้อยเส้นเป็นคาพยุตคาวุฒ1หนึ่งสี่คาวุธก็เป็นสี่ร้อยเส้นเป็นโยตหนึ่ง 1 2อยห้าตอกเป็นก리ตะกรีดหกสิบสี่กีตะเป็นคาพยุดคือคาวุธสี่คาพยุดคือสี่ร้อยเส้นก็เป็นยอหนึ่งห้าร้อยชั่วธนูคือ 2, สองพันอกเป็นโกสะก็ะเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรนั่นแหละสองพันอกก็เท่ากับหนึ่งพันสองอกมันหนึ่งเมตรอ่ะหนึ่งพันเมตรหนึ่งกิโลสี่โกตะเป็นคาพยุดสี่คาพยุดก็คือสี่ร้อยเส้นเป็นโยอ ไกลหน 1, ึ่งพันศอกชั่วเสียงร้องอุตภาราชเป็นสรุสัภะเสียงร้องของอุตภะเลยนะแต่ชรุสพะเป็นคาพยุดสี่คาพยุดคือสี่ร้อยเส้นก็เป็นโยชนึงชั่วกําลังอุตภาราชคือสอิบสี่ศอกเป็นพระลุสภพเป็นพะลุสภะกาลังของอุตภะแต่ทารุสภะเป็นคาพยุดสี่คาพยุดก็คือห้าเส้นสิบสองวาเป็นโยชชั่วตัวของอุตุภาราช คือเจ็ดสอกเป็นสรีรุสภะตัวของอุสภะแต่สิบสรีรุสภะเป็นคาพยุดสี่คาพยุดคือยี่สิบปดเส้นเป็นโยธนหนึ่งร้อยเจ็ดห้าสอบเป็นกริศักดหกสิบสี่กรตศัเป็นคาพยุดสี่คายุดก็คือห้าร้อยหกสิบเส้นเป็นโยชน์ยี่สิบแปดอก็เป็นอัพันตระอัพันดอนสี่น้อยอัพันตรัเป็นคาพยุด สีคาบยุท์ก็คือห้าร้อยหกสิบเส้นเป็นโยธประมาณต่างกันดังนี้ประมาณก็ต่างกันให้พึงรู้จักใช้ประมาณอย่างเล็กสั้นใช้ในการนักของที่ไปโดยขวางดังวัดทางเป็นต้นประมาณอย่างใหญ่อย่างยาวใช้วัดขอที่สูงขึ้นไปดังต้นไม้และภูเขาเป็นต้นก็ใช้วัดแตกต่างกันนั้นมีมาตรานี่มันหลายในก็ใช้วัดแตกต่างกันไปเราให้พิจารณา บทนี้จะแสดงในสุขตะวิทัติคืบแห่งพะสุคตและสุขตังคุรีนิ้วแห่งพระสุคตโดยย่อสิขาบทบางแห่งกําหนดด้วยคืบพระสุคตบางแห่งกําหนดด้วยนิ้วพระสุคตในอัตถิฐาแห่งสัญญาชิกะกุดีสิขาบทเรื่องของการสร้างพอดีเกินประมาณกล่าวว่าสุขตะวิทัตินามะอิดานิ มัชมสัสสะปุริรสสะ ต, ติโตวิรัติโยวัตกีหตเถนะดิยโทหะโถโหติความว่าคือพระสุคต์นั้นเป็นสามคืบมัชมัชบรุษทุกวันนี้เป็นศอกคืบช่างไม้ถ้าจะว่าตามในนี้พระกายของพวกพุทธเจ้าสูงสิบสองสอกช่างไม้ทุกวันนี้คืบช่างไม้ทุกวันนี้เอาสามคูณจึงเป็นคืบพระสุคต์นักปราชญ์ทุกวันนี้เห็นว่า พระพุทธเจ้าสูงสิบสองศอกนั้นดูเกินปกติของมนุษย์นัสิบสองศอกก็หกเมตรหกเมตรก็สูงมากจริงๆ จ, งจึงได้รังเกียจว่าที่ว่าเอาสามคูณคืบมัชิมะบูรุษทุกวันนี้เป็นคืบพระสุคตนั้นพระอัตถกถาจารย์อาจจะพลังไปดอกประมังจะเอาสามหารดอกประมังโดวยว่าคำในอัตถกาถาเองบางแห่งว่าอัตถกถาอื่นกล่าวพลังก็มีอยู่บ้าง และได้เห็นเงาคําอัตกระถาของกล่าวว่าด้วยกสิณว่าว่าด้วยกสิณมนณทนแห่งกสิณอย่างเล็กพึงทําให้กลมกว้างคืบสี่นิ้วดังนี้เห็นคํานี้เป็นเงาจึงได้คิดตามกระบวนเลขตั้งคืบช่างไม้คือสิบสองนิ้วลงสองฐานฐานต่ําเอาสามฐานผลลัพธ์บวกฐานบนเป็นคืบพระสุกศเป็นสิบหกนิ้วช่างไม้ทุกวันนี้ แล้วจึงคิดให้ละเอียดต่อไปว่ากายมัชชิมบุรุษทุกวันนี้เจ็ดสิบห้านิ้วร้อยปีหนึ่งกายมัชชิมบุรุษลดลงสามระเบียดตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วมาสอง0ันสามร้อยปีนี้คิดเป็นร้อยปีได้ยี่สิบสามครั้งคิดเพิ่มขึ้นไปร้อยปีหนึ่งสามระเบียดยี่สิบสามครั้งเป็นสิบเจ็ดนิ้วกับกระเบียดหนึ่ง รู้ว่ามัชชิมบุรุษครั้งพุทธกาลกายสูง 9.2 นิ้วกับกระเบียดนึงเจ้าตัวเป็น 9.6 นิ้วช่างไม้เศษกายมัชชิมะบรุษนั้นปันสามส่วนเอาส่วนที่สี่เพิ่มเข้าเป็นกายพระสุพศสูง129นิ้วช่างไม้เป็นห้าตอก9นิ้วช่างไม้เกือบ3เมตรเลยนะ กายของพระสุคต์นี่สูง129นิ้วช่งางไม้เป็นห้าต่อกับเก้านิ้วช่งางไม้แต่ว่า16นิ้วกับสองอนุกระเบียดช่งางไม้ทุกวันนี้เนี่ยเป็นคืบพระสุคต์คือพระสุคต์หนึ่งท่านก็บอกว่า16นิ้วกับสองอนุกระเบียดกระเบียดหนึ่งแบ่งสี่ส่วนเรียกว่าอนุกระเบียดห้ากระเบียดกับอนุกระเบียดเศษช่งางไม้เป็นนิ้วพระสุคต์แล้วกับห้ากระเบียดกับอนุกระเบียดเศษ จะกราประมาในสิกขาบทบัญญัตที่กำหนดด้วยคืบและนิ้วพระสุคตในสัญญาจิกะกุดีสิกขาบทว่าปิษุพึงทากุดีด้วยเครื่องทับพระสัมภะที่ขอเขามาเองโดยกว้างสิบสองคืบโดยยาวเจ็ดคืบด้วยคืบพระสุคตท่านกำหนดไว้ว่าดีขะโตวัฏทกีหัดเถนะนวิกลาธิกะเอกังคุลุตระอัฏฐหัตถับ ป, ประมานาหติจิริยะโตปณะนะ ดาวานุกะรุตระติการาธิกะจัตุรังคุรุตระวิทัถาธิกะจัตุหัถตถตมานาหัวติแปลว่าสัญญาชิกะกุดีกุดีที่เขาขอคำว่าเองเนี่ยโดยยาวแต่ต่อกับนิ้วหนึ่งกับสองกระเบียดกว้างสีส่ตอกลึบกับสี่นิ้วกับสามกระเบียดกับอีกสองอนุกระเบียดช่งางไม้อันนี้ก็เป็นกุดีที่กว้างอย่าวสุด แปดซอกกว่าคูณกับสี่ซอกคืบกว่าเราประมาณแปดซอกก็สี่เมตรคูณกว้างสงี่ซอกกว่าสองเมตรกว่าในนิสิธนะสันตตาสิกขาบทว่าพิษโศภึงถือเอาสันทัดเ ก, ก่าโดยรอบให้ได้คืบพระสุคตหนึ่งปนตับสันทัดใหม่ท่านกําหนดไว้ว่าวิทักติมัตตันติอิดานิวัฒกังคุเลนดวีหานุกลาหิ สหโสตังคุลานิพรหิตะบาลนิว่าคืบพระสกุนั้นสิบหกนิ้วกับสองอนุกระเบียดช่างไม้ในมันจะสิกขาบทว่าประมาณเท้าเตียงแดนิ้วด้วยนิ้วพระสกุนั้นท่านกำหนดไว้ว่าติกราธทิกะดดัสังคุลตาดังโหติดังนี้แปลว่าเท้าเตียงสูงสิบนิ้วช่างไม้กับสามกระเบียด ในนิสิตนะสิกขาบทว่าประมาณนิสิตนาส์ด้านยาวสองคืบด้านป้างคืบครึ่งชายคืบหนึ่งด้วยคืบประคดท่านกําหนดไว้ว่าทีฆโตวัดพะกังพุเลนเอกากราธิกะบัติงสักอังพุลังโหติวิสารโตตีหานุกลาหิสหะหัดถับประมาณนางโหติดาสาปณะดวีหานุกลาหิสหะโสระสังคุลาโหติดังนี้ แปลว่าผ้ทาที่ิีธนะด้านยาวสามสิบสองนิ้วช่างไม้กับกระเบียดนึงด้านกว้างสอกหนึ่งกับสามอนุกระเบียดชายสิบหกนิ้วช่างไม้กับสองอนุกระเบียดในการดูดปฏิชาที่ศิขาบทผ้าปิดสีว่าประมาณผ้าปิดฝีด้านยาวสี่คืบด้านกว้างสองคืบได้คืบพระสุกตท่านกำหนดไว้ว่า ดีฆโต ว, วัฏภีหัะเถนะนวิกลาทิกะจะตุรังผุลุตะวิดัตถยาทิกัะทวิหัตถะประมานาโหติวิถารโตปะนะเอกากลาทิกะอัฏฐังผุลุตรหัตถะประมานาโหติดังนี้แปลว่าถ้าปิดสียาวสองสอบคืบสี่นิ้วสองกระเบียดช่งางไม้กว้าง ตอกหนึ่งกับแปดนิ้วกับกระเบียดนึงในวัติกาสาธิกาสิืาบทประมาณค่าอาจน้โฝนด้านยา6หกคืบด้านป้งสองคืบครึ่งด้วยคือพระสกุลันตำมนดไปว่าดีฆโตวัฏถกีหัดเถนะตีหิกราหิสหัส จตุหัตถบานาหัวติติริยโตเอกานุกะรุตเะเรกะกะดาทิกะจะตุรังคูรุตระวิทัทยาทิกะหัตถบานาหัวติดังนี้ว่าถ้าอาจ้ำผลด้านยาวสี่ศอกับสามกระเบียดช่างไม้สี่อก็สองเมตรกับสามกระเบียดช่างไม้กันกว้างศอคืบสี่นิ้ว กับกระเบียบหนึ่งกับอีกอนุระเบียบหนึ่งในนันทสิขาบทว่าทางจีวรนให้เท่าสุคจีวรนหรือว่าเกินปานั้นต้องเฉดอนักกาปาจิตตีประมาณสุคจีวรด้านยาวก้าคืบด้านป้า่หกคืบเลยคือพระสุคตท่านตนาหนดไว้ว่าวัตจีหัดเถนะดีคโตดวานุกราที่กับเอกังคุรุตระฉัหัดถับประมานางหติวิธารโต ตีหิกลาหิสหจตุหัฏัะประมาณนางโหติดังนี้ว่าทุกขจีวรด้านยาวหกศอกหกศอกก็สามเมตรนั่นแหละกับนิ้วหนึ่งกับอีกสองอนุกระเบียดด้านกว้างสี่ศอกกสองเมตรกับสามกระเบียดช่างไม้ประมาณจีวรควรวิกับอย่างรรมด้านยาวแปดนิ้วด้านกว้างสี่นิ้วด้วยนิ้วพระสุคต ท, ท่านกาหนดไว้ว่า อายามโตวัฏถากังคุเลนะติกลาทิปกดัสังคุลังโหติวิถารโตปะนะดวานุกลาธิกายะเอกกลายะสหะปัญจังคุลังดังนี้ว่าปชิมะจีวร น, น, นีวรขนะที่ควรจะวิกับอย่างต่ำที่สุดยาวสิบนิ้วกับสามกระเบียดกว้างห้านิ้วกับกระเบียดหนึ่ง กับอีกสองอนุกเบียดช่งางไม้ก็คือแดนิ้วคูณสี่นิ้วของพระสุกต์เนี่ยนะคำซึ่งกล่ามานี้ตัดความโดยย่อพอให้รู้เหตุที่ท่านได้คิดสุขตะวิทธธัติก็คือคือพระสุกต์และแต่งคำพีสุขตะวิทธธัตติวิธา น, ปนัปกรถ้านักปราชญ์อยากจะรู้พิษดาลพึงดูในคำพีสุขตะวิทธธัติวิธานัตกรเถิด ด้วยว่าเหตุอุทาหรณ์ซึ่งพึงดูในคำภีร์นั้นมาด้วยเหตุอุทาหรณ์ซึ่งสาธกให้เห็นว่าพระกายแห่งพระพุทธเจ้าไม่สูงนักกว่ากายปกติมนุษย์และวิธีเลขโดยพิสดารและกําหนดพระอวัยวะแห่งพระพุทธเจ้าและกําหนดประมาณในสิกขาบททั้งปวงท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์นั้นโดยพิสดารหรือนักปราชญ์ผู้มีปัญญาได้เหตุอื่นที่จะสาธกให้เห็นชัดว่า กายของพระพุทธเจ้าสูงเท่านี้เท่านี้ก็พึงคิดตามเหตุนั้นเถิดเอตาวตาปุภะสิกขาวันนา น, านิติตาก็จบปุภาสิกขาวันน า, น, านาแต่เพียงเท่านี้เรื่องกายของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นอัินริยเหมือนกันพระวรกายของพระองค์ใครจะไปประมาณวัดไม่ได้ก็อาศัยตามคำของอัจฉริยะสืบต่อมาทั้นเองอาศัยศรัทธาที่มีในพระ สมาสมบุตรเจ้าแล้วก็พระสาวกทั้งหลายที่สื่อต่อกันมาเป็นอัจฉริยทั้งหลายถ้ามีอ้างเอาไว้ในที่ใดชัดเจนก็คือเอาตามที่อ้าง น, นั้นแต่ว่าให้รู้ว่านายะอื่นๆที่ท่านคิดเรื่องของสุขจีวร อ, อะไรต่างๆเหล่านี้มีเพราะฉะนั้นก็ดูในแต่ละที่ในอัจฉริยแล้วก็ในดีกาต่างๆก็จะเป็นเหตุที่ทําให้ได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระวินัยแล้วก็ตามพระธรรมด้วย ก็ขอให้ท่านได้เจริญในกุศลปิติปราโมทยในการที่ศึกษาพระวินัยปิดกหรืว่าพระวินัยในส่วนของโดยย่อที่ท่านพระอมราภิรุตตาอมโรเกิดท่านได้รวบรวมมาไว้ก็ขอให้ท่านได้บรรลุมรคผลณิพานตอนนี้ท่านก็ไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าท่านก็ไปสู่สุคติดีแล้วแหะไม่รู้บรรลุมรคผลนหรื อ, อยังแต่ว่าขอให้ท่านเจริญอยู่ในพ่อปุ่งตนแล้วก็ได้บรรลุมรคผลถ้ายังไม่ได้บรรลุเมื่บรรลุแล้วก็ยินดีด้วยก็ขอให้เราได้มีส่วน แห่งการบรรลุเป็นสาวกของพระสรรมารสรรมุเจ้าเหมือนกับท่านทั้งหลายที่ได้บรรลุไปแล้วขออย่ามีเครื่องเนื่อช้าคือตัณหามาณธิฐิได้อบ ร, รมประสิกขาเพื่อบรรลุโดยเร็วพันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ